สิกขาบทที่สภิกษุณีใช้ท่อนอย่างต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังใช้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตี